จิกสับโดยแรงจิกถึงยื้อแย่งตามช่องสี่โครงสะบัดเปรตนั้นไปมาเปรตนั้นได้แต่ร้องครวญครางอยู่เขาเคยเป็นคนฆ่าโคในพระนครราชครื้อหนี้เองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไหมอยู่ในนรกช้านานกว่าจะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่ 2. เปรตตนหนึ่ง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 แล้วออกทางเท้าทั้งสองเปรตนั้นร้องครวญครางอยู่เขาเคยเป็นคนช่างส่อเสียดอยู่ในพระนครราชครื้นี่เอง 3. เปรตตนหนึ่งชื่อว่ากุมภพันธะมีร่างเป็นชายมีอันทะโตเท่าหม้อมีลูปอันทะใหญ่ขนาที่เดินไปก็ต้องยกอันทะขึ้นพาดบ่าไปพอจะนั่งก็นั่งบนอันทะนั่นแหละ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 เปรตตนหนึ่งชื่อว่าภิกษุลอยอยู่ในอากาศสังขติบาทประคตเอวและร่างกายถูกไฟติดลุกชนเปรตนั้นร้องครวญครางภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้ลามกในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความจากจตุทธตประราชิกสิกขาบท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 มนุษย์ทั้งหลายหากฉลาดก็จงอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดมุสากันเลยแล้วจักเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งหน้าใครข้อความจากปุตติมุกเปตะวะัตถุข้าเป็นเปรตที่ช่องปากเข้ารูเข็มลำบากยิ่งนักเปลือยกายสู้ผอมมีความประวันพรั่นพึงสะดุ้งหวาดเสียวเลิเกินอีกทั้งมีการงานอันทารุณด้วย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 จึงไม่กล้าออกมาจากวิมานด้วยร่างที่เปลือยเปล่านี้โปรดอย่าให้อาภรณ์กับมือเลยเพราะดิฉันจะรับไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จแต่จงให้อาภร น, นั้นเป็นทานแกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาขอร้องให้นางครอบครองและนุ่งห่มผ้าผืนนี้แล้วท่านจงตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ดิฉันเถิดข้อความจากคลตยะเปตวัตถุ ดูก่อนเทวีผู้มีรูปร่างน่าดูน่าชมเราปรารถนาเพื่อจะอยู่บันเทิงกับท่านในส่วนนันทวันของท่านนี้เราจักต้องทำกรรมอันใดจึงเป็นเหตุให้ได้มาอยู่ร่วมกับท่านข้อความจากระกการีเปตะวัตถุคําของมนุษย์ผู้เข้าใจว่านางเปรตเป็นเทพธิดา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 แต่ความร้ายมีกำลังแรงกว่าแล้วถามว่าคนที่ครึ่งดีครึ่งร้ายในโลกนี้มีมากเพียงใดก็ต้องบอกว่าเกือบทั้งโลกนั่นแหละนิมิตบอกลางร้ายหากต้องตายอย่างคนที่จะไปเป็นเปรตชั้นสูงก่อนจิต ด, ดับมักเห็นคุณงามความดีที่สั่งสมมาเป็นหลักตั้งแต่ก็เคลือบไว้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 จึงไม่ทะลุร่วงลงนรกยับยั้งไว้แค่สถานะเปรตชั้นต่ำไปก่อนส่วนสัตว์เดรัจฉานที่ต้องตายกลายเป็นเปรตจะเห็นสภาพคล้ายเดิมๆของตนเองแต่วังเวงหนาวสันหลังกว่าอกสันเงินงกมากกว่าที่เคยเคยมาและอาจมีรูปหน้าดูกว่าหรือวิกฤตวิกาลกว่าเก่าอีกประการหนึ่งยังมีคนทั่วไปที่ไม่ดีไม่เลว แต่กรรมเก่าเบียดเบียนให้ตายร้ายเช่นในอุบัติเหตุรถชนที่กระตุ้นให้ตกใจสุดขีดเราไม่มีกำลังบุญมาจุดประกายความสว่างให้จิตเลยจิตก็ถูกความตะหนกตกใจครอบงำเต็มๆจึงถูกตรึงไว้ในสภาพเปรตชั้นต่ำที่จำภาพสุดท้ายก่อนตายได้แม่นต้องวนเวียนอยู่แถวนั่นเองกล่าวได้ว่า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 มักวกวนแบบคนเถียงกับตัวเองไม่เลิกเพราะเป็นเปรตก็เดินโวยวายพยายามกรากเข้าไปพูดให้ญาติมิตรหรือคนรักสำนึกผิดแต่ถ้าค่าตัวตายด้วยอาการหดหู่สิ้นหวังหมดอะไรตายอยากในมิตรช่วงสุดท้ายจะคล้ายคนนั่งซึมแบบปล่อยให้ตัวเองจมทะเลน้ำตาความเศร้าเหงาจะปรากฏคล้ายม่านดาๆหนักๆ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 ที่เหมาะกับพวกติดบ่วงกรรมประเภทเดียวกับตนสภาพแวดล้อมของเปรตภาวะของเปรตมีทุกข์มากแต่ก็เว้นวักบ้างแม้ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ไม่ใช่จะต้องถูกทรมานอยู่ตลอดเวลาเหมือน น, นรกความเป็นเปรตนั้นพิสดารกว่าเดรัจฉานมาก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 ภาวะเปรตก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงจิตดับจากความเป็นเปรตและอุบัติใหม่ในภพที่ดีกว่าคนธรรมดาที่ปราศจากยานอย่างรู้ถ้าฝันเห็นหรือแววเสียงเปรตมาขอส่วนบุญจะไม่มีทางพิสูจน์ว่าตนอุปาทานหรือพบกับเปรตเข้าจริงๆทางที่ดีคือ ถ้าประสบเหตุสัมผัสสิ่งลึกลับจะทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลก็ไม่เสียหลายเพราะถ้าเป็นของจริงก็มีสิทธิ์ถึงมือเขาแต่ถ้าไม่จริงเราก็ได้ทำทานกแกเปรต ด, ด้วยน้ำใจเมตตากรุณาหากชาติใดชาติหนึ่งต้องพลัดไปเป็นเปรตบ้างก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเช่นกัน